พึงพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันส่งสายออกไปข้างนอกการที่เรามาประชุมพร้อมเพียงกันในสถานที่นี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกกิจนี้ให้เข้าถึงความสงบประ ง, งับจากนิวรณห้า นิวรณธรรมแปลว่าธรรมเครื่องกานจิตไม่บรรลุกุศลคุณงามความดีได้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องกําจัดนิวรณธรรมห้าประการนี้ให้หมดไปจากกิจใจของตนให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วการบําเพ็ญบุญกุศลก็จะไม่เจริญก้าวหน้าไปได้ เพราะมันมีสิ่งขัดขวางอยู <c> ่ <oughs> เช่นอย่างนิวรณธรรมข้อแรกการมฉันทะความพอใจในการมคุณทั้งห้านี่เมื่อบุคคลมีความพอใจรักใครในการมคุณมีรูปเป็นตน้น จิตก็ยอมฟุ้งซ่านเื่อน้อยวิตกวิจาร์ไปกับปลุกเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันนั้นหาความสงบไม่ได้เลยข้อที่สองได้แก่พยาบาทคือคิดปองร้ายผู้อื่นในความคิดปองร้ายผู้อื่นนี่มันก็มาจากความโกรธ ผูกโกรธไว้ในใจนั่นแหละเมื่อมันถูกใจเจ็บกับใครไว้แล้วมันก็วิตกวิจารณ์คิดจะล้างผ่านแก้แค้นอยู่อย่างนั้นหาความสงบใจไม่ได้เลยความที่ใจหดหู่และเคื่มเคื่มหมายความว่าใจอ่อนแอท้อแท้เมื่อความง่วงเหงาเขา้าครอบงําแล้ว เมื่อใจอ่อนแอท่าแท้แล้วร่างกายก็อ่อนพับไปตามกันไม่มีแข็งแรงอยู่ได้มีแต่อยากจะนอนอย่างเดียวไม่ต้องการทำงานอะไรเลยนี่เมื่อเป็นเช่นนี้มันจะทำความดีอะไรได้ล่ะคนเราถ้าไปลุกอำนาจแก่ความหลับความนอนอยู่อย่างนั้นนะมันก็ได้แต่นอนนะถึงเวลาที่จะลุกขึ้น ชำระจิตใจให้ผ่องใสก็ลุกไม่ได้เอาแต่นอนเป็นประมาณอย่างนี้นะว่าถึงเวลาทำการทำงานมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึ ก, กจิตใจอะไรส่งแต่ใจไปจดจ่ออยู่กับหน้าที่การงานต่างๆทันเวลาเสร็จจากงานภายนอกแล้วก็เอาแต่นอนเสีย อย่างนี้แล้วมันจะมันจะได้ทำงานอะไรเราบัานี้มันจะได้อบรมจิตใจที่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นแหละความว่างเหงาหาวนอนนี่นะอย่าไปนึ ก, กว่าเป็นของดีเนอทุกคนนะ่ะนี่แหละเป็นเครื่องกั้นจิตตัวสำคัญเลยทีเดียวทำให้จิตไม่มีสปัญญาไม่ไม่มีความรู้ความฉลาด ก็เพราะความง่วงเงานี่เองเนี่ยมันครอบงำเอาบนันนี้ไอ้ผู้ที่ไม่ง่วเงาสบัดปล่อยจิตให้เพลินเกินประมาณปล่อยจิตให้พุ่งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆอันเป็นที่น่ารักบ้างน่าเกลียดบ้างอเป็นที่น่าเสียใจเศร้าโศกบ้างนี่เมื่อปล่อยจิตให้คิดซ่านไปอยู่อย่างนั้น มันก็ไม่มีเวลาสงบเลยเมื่อจิตไม่สงบแล้วกุศลก็ไม่เกิดเป็นอย่างนั้นเรื่องมานนะ่ะเหตุนั้นท่านจึงว่าเป็นธรรมเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุกุศลธรรมต่างๆได้อีหนึ่งความสงสัยหลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์โลกตลอดถึงโลกหน้า เราถึงสวรรค์หรือพระนิพพานนรกอะไรโม น, นี่ไปเที่ยวสงสัยไปหมดว่าจะมีจริงหรือไม่หนออะไรโอ น, นี่นะถ้าไปมีสงสัยอยู่นั้นการเวลาที่ควรจะใช้ภาคเปลียนพยายามละความชั่วทำความดีให้เจริญก้าวหน้าไปมันก็ทำไม่ได้ เพราะเหตุว่ามัวแต่ลังเลสงสัยทำจิตให้เป็นสองเป็นสามอยู่อย่างนั้นจะตัดสินลงทางไหนก็ลงไม่ได้นี่มันก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งไอ้ความสงสัยลังเลนี่เพราะฉะนั้นให้พากันกำจัดมันให้มันหมดไปจา ก, ก จ, จิตใจอย่าให้มันคล้องอยู่ในใจอย่าให้มาครอบงาจิตใจได้ เพราะว่ากิเลสเหล่านี้มันเป็น ก, กิเลสอย่างกลางจะว่าละเอียดแท้ก็ไม่ใช่จะว่าหยาบจริงแท้ก็ไม่ใช่มันอยู่ในขนาดกลางเพียงแต่เกิดขึ้นภายในกายภายในจิตเท่านี้แล้วก็ไม่ถึงกับว่าจะไปลงไม้ลงมือ เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ถ้าพูดถึงไอ้ความโกรธความพยาบาทก็ดีเพียงแต่ดำริอยู่ในใจพูดถึงความรักความใคร่ก็เหมือนกันไม่ถึงกับว่าจะไปสแสวงหาจริงจังเป็นแต่เพลงความคิดอยู่ในใจพอแต่ลบ ก, กวนใจไม่ให สงบปรงได้เท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าบุคคลไม่เพียรพยายามละมันนะปล่อยให้ตนเองปรุงแต่งมากๆเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งกลายเป็นกิเลสหยาบไปเลยแบบนี้นะสามารถไปทําความชั่วได้เพราะฉะนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจกิเลสถ้าประการนี้นะอย่าไปนึกว่ามันจะไม่ทํำลาย ตัวเองได้มันทำลายได้ถ้าประมาทแล้วมันกลายเป็นกิเลสหยาบถ้าไม่ประมาทประครับประคองไปมันก็เป็นกิเลสอย่างกลางไปถ้าเพียนคำจัดมันมันก็ระ ง, งับไปจากจิตจิตก็ถึงซึ่งความสงบเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะก็ให้พึ่งพากันจําไว้ จำให้ได้อนิวรณ์ห้านี้นะถ้าใครจำนิวรณ์ห้านี้ไม่ได้ภาวนาก็ไม่เป็นหรอกไม่รู้จักวิธีกำจัดนิวรณธรรมนี้ออกจากกิจใจแล้วใจมันจะสงบได้อย่างไรอ่ะเพราะฉะนั้นให้พากันคิดดูให้ดีเราจะไปก้าวไปสู่คุณธรรมขั้นสูงก็ไปไม่ได้อ่า เพราะว่าจิตใจมันมัวหมองอยู่ด้วยทำทั้งหลายเหล่านี้อย่าให้มันใจมัวหมองเช่นอย่างว่าถ้าความง่วงครอบงำเข้าไปแล้วใจก็มัวหมองเนี่ยลองสังเกตดูเวลาใดที่อร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีง่วงเหงาเผนอนซึมเซ่ไปแล้วก็เอาละดูดูดจใจใจ ในขณะนั้นมัวหมองไปเลยอย่างนี้นะไม่ว่ากิเลสตัวใดละห้าตัวนี้นะมันล้วนแต่ทําใจให้เศร้าหมองได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจพยายามขจัดมันไปเรื่อยๆนะเมื่อเราขจัดมันให้ระ ง, งับลงไปได้ครั้งหนึ่ง ใจสงบลงไปได้อย่างนี้มันก็เป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยฮะอนี่เรียกว่าเราเพียรละบาปอย่างกลางนะเมื่อบาปเหล่านี่ระงับลงไปบุญก็เกิดขึ้นมาในจิตใจคือการที่ใจสงบเบิกบานนั่นแ่ะเรียกว่าบุญเกิดขึ้นนะไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะอืวันนี้ลําดับต่อไปก็ได้แก่กุศลได้วันนี้นะ เมื่อใจสงบเบิกบานผ่องใสอยู่แล้วนี่เราจะพิจารณาเรื่องใดๆมันก็แจ่มแจ้งไปได้เลยไม่ขัดข้องมันก็รู้มันก็เห็นตามสาภาพความจริงไปในเรื่องนั้นๆอันนี้ท่านเรียกว่ากุศลเกิดขึ้นในใจคือหมายถึงใจที่เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมา เนื่องจากว่าใจนั้นเบิกบานพองใสมันถึงได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นนี่นะคำว่าละบาปบำเพ็ญบุญนะ่ะให้พึ่งพากันเข้าใจ่ถ้าละบาปแล้วไม่บำเพ็ญบุญไม่ไหวสักหน่อยบาปมันก็กลับคืนมาแทรกแซงอยู่กับจิตเหมือนเดิมนั่นแหละ ห ม, มาคาว่าเมื่อเราระงับความพุ่งซ่านของจิตใจได้ใจสงบลงไปแล้วก็พยายามรักษาใจให้มันสงบอยู่อย่างนั้นไปก่อนเท่าที่มันจะอยู่ได้อย่าเพียงแต่ว่าพอใจสงบหน่อยหนึ่งแล้วก็เพลินไปเสียไม่ประคองจิตให้ยับยั้งอยู่ในนั้นได้นานสักหน่อยอย่างนี้มันก็ ไม่มีกําลังนะจิตนะอะมันก็อ่อนกําลังลงแหละเป็นอย่างนั้นจิตที่จะมีกําลังเข้มแข็งได้นั่นก็เพราะว่ามันสงบอยู่นานอืเหมือนอย่างการหลับนอนพักผ่อนร่างกายอย่างนี้แหละถ้าร่างกายนี้พักผ่อนไม่เพียงพอมันก็อ่อนแอไม่มีกําลังที่จะทําการทํางานได้เต็มที่ แต่ถ้าว่าได้พักผ่อนร่างกายนี้ให้สมดูลกันอย่างนี้แล้วร่างกายนี้ก็แข็งแรงทําการงานอะไรก็ได้ไม่อ่อนแอจิตใจนี้ก็เหมือนกันแหละถ้าเราให้มันได้สงบอยู่ได้นานสักหน่อยมาเรียวกว่ามันได้พักผ่อนมันไม่ได้คิดไปอะไรต่ออะไรามากมายอย่างนี้นะ มันก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้นเป็นอย่างนั้นในพากาันเข้าใจดังนั้นแหละการทำใจให้สงบในจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนพอมันเป็นอุบาวิธีที่ทำให้ใจมีกำลังเข้มแข็งกล้าหารขึ้นกล้าหารที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับอำนาจของกิเลสตัณหา น, านานาประการนะ หรือว่ากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความวิบัติแ ป, ปรปวนแห่งสังขารร่างกายต่างๆหมูเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ฝึกใจเข้มแข็งไว้เวลาร่างกายนี้มันวิบัติแ ป, ปรปวนไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างนี้จิตนี้มันก็ย่อมอ่อนแอท้อแท้นะเป็นทุกข์เลอะอย่างนั้น มันก็เดือดร้อนเนะ่ะนี่ลองคิดดูบุคคลผู้ที่ติดความสุขชั่วคราวไม่ปราถนาอยากจะฝึ ก, กจิตของตนให้สงบระ ง, งับให้ตั้งมั่นแข็งแรงนะจะต้องได้รับความทุกข์ในภายหลังเห็นแต่แก่หลับแกนอนเห็นแต่แกอยู่แกกินเห็นแต่แกความเพลิดเพลิน ทรงแต่ใจไปเกาะไปคล้องอยู่กับแต่อารมณ์ภายนอกนู่นมันชอบคิดถึงเรื่องอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไปตามความต้องการอยู่นั่นนี่นั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ไม่ฝึกจิตตัวเองปล่อยจิตตัวเองให้เป็นไปตามยถากรรมถุดแล้วตะกิเลตมันจะจูงไปให้คิดไปยังไงก็ไปอยู่นั่นวันนี้เมื่อเวลา ร่างกายนี่แปรปวนวิบัติไปเอาแล้วจิตนี่จะเป็นทุกข์เดือดร้อนหลายแล้วเพราะไม่ไม่เคยได้อดได้ทนต่อทุกขเวทนามาแต่ก่อนท่านพอเจ็บไข้ด้ป่วยอล้รลงมาก็ส่งแต่จิตออกไปข้างนอกนู่นเห็นว่าอยู่ข้างในนี่มันเวทนามันเสวยทุกขเวทนามากละไ้ส่งใจไปเพลินไปคล่องอยู่กับ สิ่งที่ตนเคยพอใจเคยรักให้มาแต่ก่อนนูน่นอันนี้เรียกว่าหาทางหนีจากทุกข์โดยไม่ถูกต้องจะหนีไปไหนก็ไม่พ้นหรอกจะส่งใจไปฝาคว้าแดนดินที่ไหนมันก็ยังมีทุกข์ติดตามไปอยู่นั่นแหละอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นการที่เรามา ถ้าเชิญหน้ากับทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้นะอันนี้แหละมันจะพาให้พ้นทุกข์ไปได้นะเพราะเราทำความรู้เท่ามั น, นเราไม่หวั่นไหวมันเลยเวลาทุกข์คือร่างกายนี่มันวิบัติแปรปวนไปมันทนได้ยากลำบากเจ็บ น, น, นู่นปวดนี่เป็นลมหน้ามือดอ่อนเพลียและเหียใจ อะไรต่างๆหมดนี้นะมันเป็นหน้าที่ของเราจะต้องอดกั้นทนทานต่อความวิบัติของร่างกายอันนี้ถ้าเราไม่อดกั้นทนทานอย่างนี้ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเท่าไหรทุกยิ่งติดตามไปเท่านั้นนะเอเป็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าทุกมันจะห่างออกเนอ้อมันไม่ได้ห่างแล้วการที่เรามา ยับยังชั่งใจมากาหนดเพ่งดูอยู่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นตรงไหนเพ่งดูตรงนั้นเลยเพ่งดูจนให้เห็นว่าไม่มีใครเป็นทุกนู่นให้มันเห็นขึ้นมาในใจอย่างนั้นนะไม่มีไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นทุกขเลยมันมีแต่สภาสวธรรมอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ แล้วถึงเวลามันแปรปวนมันก็แปรปลวนไปถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกดับไปเท่านั้นแหละมันมันไม่มีใครมาเสวยทุกข์อยู่นี่เพราะใจก็สักแต่ว่าใจจิตก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยนะหมายความว่าจิตผู้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนี้นะ มันก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเนี่ยจิตนี้ก็ดีนะลองพิจารณาดูให้ดีเราเพ่งดูภายในความรู้สึกอันนั้นเมื่อเราเพ่งดูให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปจริงๆแล้วมันจะเห็นว่าเป็นของว่างนะว่างจากสัตว์จากบุคคลจริงๆเนะียความรู้สึกอันนี้นะอะมันว่างเลยถ้าเราเพ่งดูจริงๆนะี่ย นั่นแหละเมื่อมันเห็นว่ า, ม, วามันว่างจากสัตว์จาก บ, บุคคลอย่างนั้นนะเมื่อมันไปรู้สึกสัมผัสกับอารมณ์กับเรื่องที่ไม่น่าพอใจก็ดีหรือน่าพอใจก็ดีอก็ไม่ไม่วันไหวไปตามนะกับตัวเองนั่นแหละเตือนตนเองไม่ให้วันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั้นนะ่ะ ไม่ให้หวันไว้ไปตามทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายอันนี้ก็ก็มันเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่จิตแล้วก็ไป่สาสตรจะไปเดือดร้อนทำไมอ่ะออันที่มันเดือดร้อนนั้นเพราะมันสำคัญผิดคิดว่ามีคนมีสัตว์มีเขามีเราอยู่ในใจนั้นนะนี่พี่นาให้ดีแต่ถ้าหากว่ามัน เกิดความรู้ความเห็นแจ้งแจ้งชัดขึ้นมาว่าในนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์อยู่อย่างนี้แล้วมันมันไม่เดือดร้อนหรอกจิตเนี้ยอ่านเราต้องใส่ใจให้มากเลยเรื่องนี้นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างน้มันมีใจเป็นใหญ่จิตกับใจก็ถือว่าอันเดียวกันนั่นแหละไปอย่าไปสงสัยใจไปว่าความ น้มนึกถึงอารมณ์ต่างๆจิตแปลว่าความคิดนี่นะใจคือความน้มนึกจิตคือความคิดต่อแบบนี้นะการที่มันคิดไปในอารมณ์ต่างๆนั่นท่านเรียกว่าจิตการที่มันน้อมใจไปในอารมณ์ต่างๆนั้นท่านเรียกว่าใจนี่นะให้ให้ เข้าใจซะคำว่าใจหรือจิตนี่นะมันมันมีความหมายทั้งสองอย่างนั่นแหละให้พึ่งเข้าใจทั้งสองอย่างนี่แหละเพ่งดูด้วยปัญญาจริงๆเข้าไปแล้วมันไม่มีรูปร่างสีสันวันนะไม่มีตัวตนอะไรเลยแต่ว่ามันหากมีอิทธิพลนะถึงมันไม่มีตัวตนมันก็มีอิทธิพล จนสามารถทำให้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปมาได้นี่แหละอิทธิพลของจิตอ่ะอย่างเช่นต้นไม้ต่างๆหมดนะนะมันไม่มีจิตครองอยู่มันเคลื่อนไหวไปมาทางไหนไม่ได้เลยนอกจากลมพัดเท่า น, นั้นแหละมันจึงไหวไปไหวมา ลองสังเกตดูจิตนี่แนะ่ะมันมีอิทธิพลอย่างนี้แหละทั้งที่มองดูแล้วไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่มันก็ยังสามารถบังคับกายนี้ให้เดินเหินไปมาทางไหนตลอดถึงวิง่งมันก็ไปได้หรือทำการทำงานหนักเบาอะไรต่ออะไรนี่มันเกิดจากพลังของดวงจิตนี้ทั้งนั้นเลย แต่แล้วทีนี้จิตดวงนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีอิทธิพลแต่เมื่อมันยังไม่ฉลาดมันยังไม่มีความรู้ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ยังไม่รู้ผิดรู้ถูกด้วยตนเองขึ้นมาก่อนนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันมันไม่รู้ผิดมันก็ละความผิดนั้นไม่ได้เมื่อมันไม่รู้ทางที่ถูก มันก็ดำเนิน e ตามทางที่ถูกต้องนั้นไปไม่ได้นี่เป็นอย่างนั้นเหตุนั้นแต่ะคนเรามันถึงทำทั้งดีทั้งชั่วนะก็เพราะเหตุว่าจิตนี้นะมันยังไม่รู้ไม่ฉลาดถึงมันจะมีอิทธิพลบังคับกายให้เดินเฮินไปมากินดื่มพูดจาปราศัยอะไรต่ออะไรได้ก็ตามนะ แต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะรักความชั่วนั้นได้เพราะมันไม่รู้จักนี่เรื่องมันนะต่อเมื่อมันได้มาฝึกผลอบรมจิตตรงนี้ให้เข้าถึงความสงบแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละมันถึงได้มองเห็นนะ่ะมองเห็นความชั่วว่าเป็นความชั่วจริงๆมองเห็นบาปว่าเป็นบาปจริงๆอย่างนี้นะ แล้วก็มองเห็นทางที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลก็ว่ามีจริงข้อปฏิบัติที่ทําให้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลตลอดถึงมรรคผลธรรมวิเศษอเช่นนี้มันก็เห็นแจ้งชัดเลยทีเดียวเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการฝึกฝนอบรมจิตใจนี่นะมันก็จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะ ถ้าเราไม่สนใจฝึกตัวเองเข้าไปอย่ น, นี้ตนก็พ้นทุกไปไม่ได้สักทีอ่ะก็ต้องติดอยู่ในทุกนี่แหละคือเมื่อมันติดอยู่ในขันห้านี่อยู่ตราบใดแล้วก็ชื่อว่าติดอยู่ในทุกแหละดวงกิดอันนี้นะเพราะว่าขันห้านี่มันไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับดวงกิดนี่อยู่เสมออ่าร้อนมามันก็ รู้สึกร้อนหนาวมามก็รู้สึกหนาวเจ็บตรงโน่นปวดตรงนี้มันก็ตามไปรู้หมดนั่นแหละมันเจ็บมันปวดมันแปรปวนยังไงอวัยวะน้อยใหญ่นี่ของร่างกายนี่นะมันจะวิบัติตรงไหนจิตนี่ก็ไปเที่ยวรับรู้หมดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ฝึ ก, กจิตนี่ให้เกิดความรู้ความฉลาด ให้รู้แจ้งความจริงของร่างกายสังขารตามเป็นจริงอย่างว่านี่นะจิตนี่มันถึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละให้พึงเข้าใจเดือดร้อนแล้วยังไม่แล้วยังไปยึดเอาก ร, รมชั่วเข้าใส่ตัวไว้อีก เ, เมื่อร่างกายอันนี้มันวิบัติเต็มที่อาศัยไม่ได้แล้วมันก็เป็นหน้าที่ของกรํารชั่วเลวจะพาไปแบบนี้นะ ตัวไปสาสมเอามันมากมากไว้นี่ให้พึ่งพากันสังวรพึ่งพากันเข้าใจดังนั้นแหละการฝึกผลอบรมจิตใจนี่นะมันจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องภาคเพียนพยายามขาจัดเหตุแห่งทุกข์นี่นะให้มันหมดไปสิ้นไป จา ก, กจิตใจนี้เดี๋ยวนี้เมื่อเรายังไม่ได้ฝึ ก, กจิตใจนี่ใจมันยึดถือเอาเหตุแห่งทุกข์ไว้ใจมันยึดถือเอาเหตุแห่งทุกข์ไว้เรื่องมันนะมันยึดอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ยอมวางเช่นความรักอย่างนี้นะ มันก็ยังยึดเอาไว้อยู่ความเกลียดความชังอย่างนี้นะมันยังยึดเอาไว้อยู่เอาเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันยึดอะ่ะรู้ได้เวลาตาไปเห็นรูปสวยๆงามๆเข้าอย่างนี้นะมันเกิดความวิตกขึ้นมาแล้วแหมนะรูปนั้นสวยงามจังอย่างนี้นะพอมันวิตกขึ้นอย่างในความรักมันก็เกิดขึ้นในใจแล้วนั่นแหละ เราเรารู้ได้ในเวลาอย่างนั้นแหละรู้ว่าใจมันยึดมั่นในความรักแต่ถ้าว่าตามันเห็นรูปสวยๆงามๆอะไรโมเ น, นียแล้วใจนะ่มันพิจารณาได้เลยว่ารูปนั้นถึงแม้จะสวยงามยังไงมันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็สวยงามแต่ภายนอกแต่ภายในยเข้าไปแล้วไม่มีอะไรสวยงามแในผลสุดท้ายมันก็แตกดับลงไปเป็นสภาวะธาตุ ดินธาตุน้าลงไปไม่มีอะไรเป็นตัวตนอยู่นั่นเลยนี่ถ้าหากว่ามันมันไม่ยึดมันในความรักนะมันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้แทนเนี่ยเช่นนี้แล้วจิตมันก็ไม่รักแล้วรูปนั้นนะเฉยๆธรรมดาแล้วแต่ถ้าไปเห็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังมันก็พิจารณาลงไปเป็นสภาวธาตมเหมือนเดิมนะ แล้วมันก็ไม่เกลียดไม่ชังเลยเพราะมันไม่มีบุคคลจะให้เกลียดให้ชังนะใจนั่นมองเห็นเป็นแต่สภาวธารมเฉยๆนะนี่ทาได้ไหมล่ะลองถามตัวเองดูสิถ้าทำใจยังไม่ได้อย่างนี้นะอย่าไปนิ้งนอนใจนี่แหละทุกข์มันจะติดตามไปเพราะใจมันไปยึดมั่นกิเลสเหล่านี้แหละไว้อนะ มันเป็นอย่างนั้นยึดมั่นในความรักในความชังก็เท่ากับ ว, ว่ายึดมั่นในขันห้านี้แหละไม่ใช่อื่นไกลอะไระเพราะว่าลําพังแต่จิต ด, ดวงเดียวนี่มันจะไปยึดอะไรไม่ได้มันต้องมีขันหานี้เป็นสื่อเช่นสัญญาอย่างนี้นะความจําหมายอย่างนี้ อ, ะอ่ะเช่นสังขารความคิดความปรุงแต่งเกิดขึ้นในใจ เมื่อตาไปเห็นรูปสวยๆงามๆแล้วอย่างนี้มันก็เกิดความคิดความนึกขึ้นมาว่ารูปนั้นสวยรูปนี่งามนะ น, นี่นั่นเรียกว่าสังขาร น, นะฮแล้ววิญญาณก็มีหน้าที่รับรู้อารมณ์เหล่านั้นเลยนี่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการที่จิตใจมันจะสร้างกิเลสอะไรขึ้นมาเนี่ย มันอาศัยขันห้านี้เองแหละแต่ที่นี่เมื่อเรามาภาวนามาทําใจให้สงบแล้วเพ่งพิจารณาแยกแยะดูขันทางห่านี้ออกไปเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปดูแลมันไม่มีมันไม่มีตัวตนอะไรอยู่นี่เลยนี่แหละที่พระบรมศ า, ษ า, ษาสดาทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้น บำเพ็ญเพียรภาวนาสมาธิเจริญปัญญาก็เพื่อที่จะให้รู้แจ้งขันห้านี่ตามเป็นจริงเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ลงได้แล้วมันก็เท่ากับว่าปล่อยวางทุกนั่นแหละทุกขทางใจมันก็ไม่มีอันแต่ทุกของร่างกายนี่ไม่ฟัง แม่จะรู้เท่ายัางไงยังไงมันก็เป็นทุกอยู่นั่นแหละร่างกายนี่คนะือมันมันก็แปรปวนวันไว้ไปมาอยู่นั่นแหละร่างกายนี่อาการที่ร่างกายมันแปรปวนไปมาอยู่นั่นแหละคือทุกคือลักษณะแห่งความทุกข์ให้เข้าใจกันเป็นหน้าที่ที่ดวงจิตนี่จะต้องรู้เท่าไม่ใช่ละ ละไม่ได้เมื่อขันห้านี้มันแตกดับลงไปนั่นแหละทุกของร่างกายนี่มันจึงค่อยระ ง, งับไปแต่ทุกทางใจนี่มันยอมระ ง, งับด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนาปัญญาสอนจิตใจให้เห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงดังกล่าวมานั่นแหละเมื่อมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วมันก็หายสงสัยะ หายสงสัยอะไรล่ะก็หายสงสัยว่ามีเขามีเรามีสัตว์มีบุคคลอยู่ในนี้นี่นะอมันไม่มีนี่มันหายสงสัยอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะเป็นทุกข์ยังไงเล่าเพราะมันไม่ยึดถือว่าเราเจ็บตรงโน่นปวดตรงนี้อเราจะรุม่มเราจะตายอะไรโม น, นี่ยมันไม่วิตกเลยนี่เมื่อมันรู้แจ้งนะ ถ้ามันวิตกอย่างนี้อยู่แสดงว่ามันยังไม่รู้แจ้งให้พากันเข้าใจมันจะเกิดความรู้เห็นกลงกันข้ามขึ้นมาเห็นว่าอืมขันห้าหรือว่าสัพพวะธาตุเหล่านี้มันกาลังแปรปวนทุกอยู่มันรู้มันรู้ว่าร่างกายสังขารนี่มันไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แต่ว่าจิตผู้รู้ อันนั้นมันไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันมันไม่ถือว่าเป็นของเราอ่าเรื่องมันอ่ะอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะให้พากันใส่ใจให้มากๆเลยทีเดียววะไ อ, ะอะ้พวกที่บาเพ็ญทางกิจใจนะผู้ที่ทำใจให้สงบลงไปแล้วแล้วเจริญปัญญาเนี่ย ก็ให้ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันเนี่ยมาเพ่งพิจารณาขันหักคือกายกับจิตอยู่ในปัจจุบันนี่นะอย่าไปเพ่งออกไปทางอื่นเห็นแจ้งอะไรก็ให้มาเห็นแจ้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเห็นแจ้งในขันหักก็เห็นแจ้งอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าขันห้านี้มันมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละลองสังเกตดู อนาคตต่อไปนั่นเราก็รู้ไม่ได้เลยว่าขันห้านี้มันจะแตกดับเวลาไหนอะนี่แล้วไอ้ที่ล่วงมาแล้วนั้นันก็ล่วงมาหมดแล้วมันเป็นอะไรก็เป็นมาหมดแล้วมันไม่ได้กลับเป็นอย่างนั้นอีกนี่นะเพราะฉะนั้นจงว่าขันห้ามันมีปรากฏอยู่แต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละดวงขีดนี่ก็เหมือนกันนะมันก็มีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละมันไม่ได้มีอยู่ในอดีต ไม่ได้มีอยู่ในอนาคตเลยจิตดวงนี้ก็ดีแต่ว่าจิตที่มันไม่รู้ไม่ฉลาดนี้มันชอบคิดส่งสายยินดีเย็นร้ายไปตามอารมณ์ภายนอกนูน่นมันไม่รู้นี้เรื่องมันนะถ้ามันรู้ว่าการส่งจิตไปอย่างนั้นเน่ยมันมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ชอบส่งจิตออกไป แต่ว่าการคิดอ่านการงานนั้นมันเป็นหน้าที่ของคนเราเกิดมาในโลกนี้จะต้องคิดทุกคนแหละแต่คิดแบบมีสติคิดแบบมีปัญญาถ้าคิดพร้อมไปด้วยสติปัญญาแล้วมันไม่เสียใจไม่ดีใจอ ม, มันไม่โกรธคุณเคืองแม้จะได้สมหวังหรือไม่ได้สมหวังก็ไม่คุณไม่เคืองใจ นี่ถ้าคิดประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยปัญญานะคิดการคิดอ่านการงานต่างๆเมื่อรู้หน้าที่การงานนั้นๆแล้วก็วางนี่ไม่ไปเที่ยวยึดถือเอาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่ใช่คิดพอรู้แล้วก็ลงมือทำไปก็ปล่อยวางความคิดอันนั้นไว้ก็ทำไปตามความรู้วบบนี้นะ มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อรู้แจ้งแล้วนั้นจะไม่ต้องคิดอะไรตัวอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อรู้แจ้งแล้วก็คิดเหมือนกันนะแต่ว่าความคิดของท่านผู้รู้ทั้งหลายมันหากไม่แทรกอยู่ด้วยกิเลสหมายความว่าอย่างนั้นมันเป็นความรู้อันบริสุทธิ์เป็นความเห็นอันบริสุทธิ์เห็นแล้วแล้วไป รู้แล้วแล้วไปไม่ยึดไม่ถือบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้พวกเราถึงแม้ว่ายังจะไม่รู้แจ้งอย่างว่ามานี่เราก็ฝึกหัดให้มันรู้แจ้งถ้าเราไม่ฝึกชะไหนแล้วมันจะรู้แจ้งได้นี่ให้คิดดูให้ดีเมื่อเราฝึกไปมันก็ค่อยรู้แจ้งไปเห็นจริงไปเรื่อยไป ฝึกไม่ท้อไม่ถอยความรู้นะั้นมันก็ยิ่งขึ้นเลยเื่อยไปไม่มีใครทําให้เราได้นะเรื่องนี้นะทุกคนต้องทําเอาเองนะให้เข้าใจเพราะว่าจิตของใครของเราเนี่ไม่ใช่อันเดียวกันนะต่างคนต่างก็มาเกิดในโลกนี้เนื่องจากว่ามันยังไม่รู้แจ้งโลกนี้ตามเป็นจริงนั่นแหละมันห่วง มันหวงโลกอันนี้อยู่ดังนั้นมันถึงต้องได้มาอาศัยโลกคือขันห้าอันนี้อยู่นี่นะมาที่เมื่อเรามาเห็นโทษแห่งความยึดถือขันห้านี้ว่ามันประกอบไปด้วยทุกขนานาประการอย่างเนี้ก็ามาหัดภาวนาสมาธิจเจริญปัญญาสอนจิตนี้ให้ปรองให้วางขันหานี้เ อ, อ่ รสุดแแต่เราจะมีอุบายอะไรมาสอนจิตนี่นะให้มันปรงมันวางขันห้านี่อย่าให้มันยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราขันห้านี่ท่านเปรียบไว้เหมือนอย่างเพชสฆาตไม่ใช่ใครอื่นแลยพระพุทธเจ้านั้นทรงเปรียบนะเพชฆาตนี่มันไม่ปราณีภาษัยกับใครแนหะ ว่าแต่ได้รับคาสั่งว่าให้ประหารชีวิตของคนนั้นอย่างนี้มันเอาเลยอ่ามันเป็นอย่างไงมันไม่ลำเอียงเข้ากับใครเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย <c oughs> รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่มันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนใครจะบังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังอย่างนี้ ก็บังคับไม่ได้เลยอืมันไม่เป็นไปตามใจหวังของผู้ใดทั้งหมดเลยนี่เพราะฉะนั้นมันจึงว่าเปรียบเหมือนเพศข้าตนนแหละบทเพศข้าดนั้นบทได้รับคําสั่งเด็ดขาดแล้วไอ้ผู้ที่ถูกประหาร น, นั่นจะร้องขอยอมือยังไงอ้อนวอนอยังไงเพศข้าดมันก็ให้อภัยไม่ได้เลยอืม พอมันรับคำสั่งมาจากเบื้องบนแล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละขันห้านี่เมื่อมันแปลพวนไปแล้วเราจะไปอ้อนวอนขอร้องให้มันตั้งมัน่นยั่งยืนไปก่อนอย่าเพึ่งแตกพึ่งดับเลยอย่างนี้ขันห้านี่มันก็ไม่อยู่ยั่งยืนอยู่ได้เลยมัน่อมแตกิมดับไปตามสภาวะของมันนะมันเป็นอย่างนั้น ต้องลองพิจารณาดูซินั่นแหละอันที่พระพุทธเจ้าเปรียบขันหานี้ไว้เหมือนกับเพชสคาดห้าคนน่ น, นะไม่มีผิดเลยนะนับว่าถูกต้องทีเดียวธาตุสีน่นี่พระองค์ทรงเปรียบไว้เหมือนกับบุคคลเอางูพิษสี่ตัวมาเลี้ยงไว้ในเรือนนะเป็นอย่างไ น, นไอธรรมดางูพิษนี่ ใครจะเอาอาหารอันประนีบรรจงอย่างไรมาเลี้ยงมันให้มันอิมน่มหนำสำราญเท่าใดเท่าใดมันก็ไม่รู้จักคุณของคนหรอกถ้าเจ้าของฮะเผลอๆไปจับมันเข้าแล้วมันกัดแน่นอนเลยทีเดียวอ่ะมันไม่ให้อาภัยแล้วอ่ะนี่เป็นอย่างนั้นธาตุดินก็ดีธาตุน้ำก็ดีธาตุไฟก็ดีธาตุลมก็ดีเ่านี้นะ ถ้าดวงจิตอันเนี้ยไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเข้าไปเมื่อใดอะนี่ธาตุอันนี้นะมันจะแปรปวนไปกระทบกระทั่งกับจิตนี่จิตไม่รู้เท่าก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเลวอันี้นั่นแหละเป็นเหมือนกับงูพิษเหมือนบุคคลไปจับงูพิษนั่นแหละมันก็แว่งกัดเอาอันนี้เหมือนกันจิตใจไปยึด ธาตุสี่ซึ่งเป็นของไม่เที่ยงนี่ไว้ยอย่างนี้เมื่อมันแปร ป, ปวนไปจิตนี้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละกระจงพากันใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมอเสมออย่าไปพิจนะารณาครั้งเดียวสองครั้งแล้วแล้วไปเลยนึกว่าตนรู้เท่าแล้วอย่างนี้ไม่ได้ในเมื่อตนยังไม่ได้บรรลุอริยสัจธรรมแล้ว นอนใจไม่ได้เลยเพราะว่าประมาทหน่อยหนึ่งก็หลงเท่านั้นแหละหลงหลักสูตรไปแล้วหลงอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วนี่เป็นอย่างนั้นเห็นเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนไปแบบนี้นะเมื่อมันหลงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแนะ่ะดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนแนะนําสั่งสอนให้ กระทำให้มากจเจริญให้มากเมื่อเราทําให้มากจเจริญให้มากมันก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงเพื่อความดับคือดับทุกข์ทั้งหลายออกจา ก, ก จ, จิตใจทุกข์ทั้งหลายยอมดับไปเมื่อเกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงไม่ยึดถือขันห่าว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วจิตนี้ไม่มีทุกข์แล้ว ไม่เป็นทุกข์แม้ขันห้ามันจะวิบัติแปลโพนไปมันก็แปลไปแต่ขันห้าแต่จิตไม่แปลไปตามจิตคงที่นี่เป็นอย่างนี้จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมนะเพื่อให้จิตมันเข้มแข็งมันมีปัญญามันกล้าหาญรู้เท่าขันห้านี่ไม่วันไหวไปตามขันห่านี้ จุดมุ่งหมายการปฏิบัติทางจิตใจฝึกผลจิตใจนะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เองนะพึ่งพากันเข้าใจถ้าหากว่าเรายังทําจิตให้เข้มแข็งให้ฉลาดให้รู้แจ้งอย่างว่านี่ยังไม่ได้อย่าพึ่งนิ่งนอนใจต้องทําความเพียรไปเรื่อยๆอย่าอย่าพากันชราใจว่า อเราทำบุญกุศลอยู่เสมอเสมอนี่บุญกุศลคงช่วยเราแล้วอย่างนี้ไม่ทำอุบายแอบคลายในใจไม่สอนใจตัวเองด้วยปัญญาดังชี้แจงให้ฟังมานี่แล้วก็ยัง้งยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพียงแต่ทำบุญกุศลให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาไปเพียงแค่ทำใจให้สงบเท่านั้นเลยังนะ อยังพ้นทุกข์ไม่ได้อย่าอย่าไปเข้าใจผิดไปการที่จิตดวงนี้มันจะพ้นทุกข์ได้นั้นก็เมื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วปัญญานี่ยกลับมาสอนจิตนี้อีกทีหนึ่งนะดังที่อชี้แจงแสดงอุบายต่างๆให้ฟังมานี่นะเนี่ยล้วนจะเป็นอุบายสอนจิตทางนั้นแหละนี่นะ สอนจิตให้มันเห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอ่ะการไปยึดมั่นอย่างนี้มันมีโทษมากเนี่ยเมื่อปัญญามาเกิดแล้วมันจะสอนจิตให้เห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันหานว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยทีนี้เมื่อจิตมันเห็นชอบด้วยปัญญานั้นแล้วมันก็เบื่อหน่ายนะ เบื่อนายเบื่อในการที่จะไปยึดไปถือขันห้าเลยเมื่อจิตมันเบื่อแล้วมันก็คลายเรื่องมันนะถ้ามันยังไม่เบื่อแล้วมันไม่คลายหรอกมันไม่คลายนี่ทำยังไงจิตใจนี้มันจะเบื่อขันห้าอันนี้นะเราก็เอาเข้าเลยสอนมันเข้าเลยทีเดียวถ้าว่าเราไม่ใช่ปัญญาสอนมันปลุกมันให้ตื่นอย่างนี้ มันก็จมอยู่ในขันห้านี่แหละมันก็ยึดถือสำคัญว่ามีเรามีเขาอยู่นี่นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นจึงต้องหาอุบายมาสอนจิตนี้เข้าตามที่เราได้ยินได้ฟังมาก็จำอุบายต่างๆไว้นั่นแหละแล้วก็น้อมเอาอุบายเหล่านี้เข้าไปสอนจิตใจเข้าไปเรื่อยๆ มันไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับให้มันปรงมันวางเอาดื้อๆอย่างนี้มันจะวางได้เลยจิตนี่นะไม่มันมันวางไม่ได้ถ้าหากว่ามันเราสามารถบังคับตัวเองให้ปรงให้วางได้โดยไม่ต้องมีอุบายแยบใครอะไรเลยอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ทนทุกข์ลาบากในการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนอะไรแล้วเ อ, อ มันก็ไม่ลําบากอย่างนี้แหละเรื่องมันนะใครๆมันก็หลุดพ้นไปกันหมดแล้วแหละถ้าบังคับจิตเอาดื้อดื้นี่แหละมันมันปรงมันวางได้นะอแต่นี้มันปรงมันวางไม่ได้เรื่องมันนะมันถึงได้หลงไหลยึดมั่นถือมั่นจึงมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่นะมันจะปล่อยมันจะวางความยึดมั่นถือมั่นได้มันอยู่ที่อุบายปัญญา พูดแล้วนะเป็นอย่างนั้นต้องหาอุบายมาสอนจิตนี่เข้าไปเรื่อยๆเมื่อจิตที่มันเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันเบื่อหน่ายเองแล้วบัดนี้นะออมันคลายความยึดความถือไปเองนี่เป็นอย่างนั้นแล้วอุบายปัญญาต่างๆโมนี่มันจะเกิดขึ้นได้ ก็พราะเราบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆโดยลําดับมาอเก็บหอมล้อมริบเอาบุญกุศลต่างๆเข้ามารวมไว้ในจิตใจดวงเดียวเนี่ยเป็นกําลังใจอ่ะดังที่เคยอธิบายให้ฟังมาอยู่บ่อยๆอยู่นั่นแหละบุญกุศล น, นี่เป็นกําลังใจนะไม่ใช่อย่างอื่นอ่ะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วภาษาสดา จะไปทรงสอนให้คนเรา บ, บําเพ็ญบุญยังไงเล่าเช่นจะทรงสอนให้ทานให้รักษาศีลให้กราบให้ไหว้ให้สักการะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยดอกไม้ทูบเทียนด้วยการกราบการไหว้เป็นกิจวัตรหมู่นี้นะอืร่วงแต่เป็นการสั่งสมบุญกุศลไปทีละเล็กทีละน้อยไปทั้งนั้นแหละ ให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อเรากเก็บกุ้งเก็บซิวไปเรื่อยไปอย่างนี้นานเข้าบุญกุศลมันก็มากขึ้นเองเนี่ยพราะองค์เจ้าเปรียบการสั่งสมบุญดังกล่าวมานี่นะเปรียบเหมือนอย่างน้ำที่มันห ย, หยดจากซ้ายคาลงไปสู่โองนั่นะนะในเวลาฝนตกนะนะั่นน่ะ แม้ว่าหยาดน้ำนั้นมันจะมันจะเล็กน้อยกว่าจริงอยู่หรอกแต่เมื่อมันหยดมันหยาดลงไปนานไปนานไปไม่ท้อไม่ถอยละ่ะน้ำนั้นมันก็ค่อยเต็มขึ้นเต็มขึ้นโดยลำดับอเป็นอย่างนั้นในที่สุดถ้าหากว่าฝนนั้นมันไม่หยุดละ่ะน้ำนั้นมันต้องเต็มโอง่งเต็มไห้ล้นไห้อีกซ้ำเป็นไงะ่ะอืมอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ การบำเพ็ญบุญกุศลนี่อย่าไปอยากได้มากทีเดียวเลยฮะเพราะเมื่อกําลังของตนไม่เพียงพอจะไปทําให้ได้มากๆทีเดียวมันก็ทําไม่ได้เหมือนอย่างคนทําการค้าการขายอย่างนี้เนี่ยเมื่อทุนตัของตนมีน้อยอแล้วจะไปทําการค้าให้ใหญ่โตไปมันก็ทําไม่ได้เออก็อย่างนั้นแหละเมื่อทีแรกนี่ทุนมีน้อยก็ทําทไปทำน้อยก่อนแหละ เมื่อสะสมกำไรได้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับไปแล้วการค้ามันก็ย่อมขยายออกไปในตัวแล้วแบบนี้น ะ, ะมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อเราสั่งสมบุญกุศลไปทีละเล็กทีละน้อยไปนานเข้านานเข้าบุญกุศลมั น, ม า, นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันหากผลักดันให้ทำบุญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีถอยแล้วแบบนี้นะอ่ามันเป็นอย่างนั้น อัน อ, อำนาจของบุญกุศลนี่นะมันก็เหมือนอำนาจของเงินนั่นแหละเมื่อคนเรามีเงินมากๆคือแล้วมันนักผลักดันให้ทํางานขยายงานออกก้วงใหญ่ออกไปเรื่อยๆนะอะนี่ลองลองสังเกตลองเปรียบเทียบดูเหมือนอย่างท่านผู้มีบุญทั้งหลายเหมือนนั่นนะเมื่อท่านได้ทําบุญกุศลมากๆเข้าไปเท่าไรยิ่งขยันในการทําบุญนะไม่มีถอยหลังก็แล้วกันเนะอ ยกตัวอย่างเช่นอนถาวินดีกะมหาเศรษฐีหรือนางวิสาขามูนนั้นนะนั่นนะท่านผู้มีบุญมากเมื่อมีบุญมากเท่าไหร่ยิ่งต้องการบุญมากขึ้นไปเท่านั้นก็เพราะว่าเท่าที่มีมาแล้วนะมันยังไม่เต็มถึงมากก็จริงแต่มันก็ยังไม่เต็มเป็นอย่างนั้นท่านผู้มีปัญญาท่านก็มองเห็นอย่างนั้นนะ เห็นนั้นท่านจึงได้ขวนขวายสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับไปไม่ทอ้อไม่ถอยเลยจนตลอดชีวิตทําอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่พวกเราเราพุทธบริษัทที่เราเกิดมาสุดท้ายภายหลังอย่างนี้เราก็ควร ทบทวนคำหนึ่งถึงประวัติความเป็นมาของอสาวกอุบาสกอุบาสิกาแต่ครั้งพุทธกาลนั่นแหละมาเป็นตัวอย่างบ้างมันจะได้เป็นกำลังใจอันเข้มแข็งในการละบาปบำเพ็ญบุญดังกล่าวมานั้นถ้าว่าเราไม่ทราบข่าวว่าท่านผู้นั้นทำบุญมากเสียสละมาก ไม่ยอมทำความชั่วอะไรอย่างนี้นะถ้าเราไม่ได้ยินตัวอย่างมาอย่างนั้นนี่มันจะท้อใจเลยนะคนเราะจะไม่กล้าทำความดีละความชั่วออกจากกิจใจอะ่ะทีนี้เมื่อเราได้ทราบข่าวว่าอา้าวท่านเหล่านั้นท่านก็ยังละชั่วทำดีได้ต่างคนก็มีท่าจีขันห้านี่เหมือนกันนะไม่แตกต่างอะไรเท่าไรนักรูปร่างกายอันนี้ย ทำไมเราถึงจะละชั่วทำดีไม่ได้เรานี่มันก็เกิดอุบายขึ้นสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ใจมันก็กล้าหาญสิแบบนี้นะอันนี้ใจมันก็กล้าหาญนะไม่ย่อท้อถอยหลังในการเพียรพยายามละความชั่วออกจากตัวให้หมดนิดสยัยอันใดไม่ดีไม่งามก็พยายามอสอนใจของตนเองให้ ให้ละนิสัยอันไม่ดีไม่งามนั่นเสียอันกิริยากายวาจาภายนอกนี่นะเช่นว่ามันหยาบโลนอย่างนี้นะมันก็มาแต่ใจนวลมันหยาบานั่นแหละความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจนวนมันหยาบมันจึงแสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นการหยาบโลนไปถ้าหากว่าไปกําหนดละความรู้สึกนึกคิดอันห ย, ยาบหยาภายในจิตใจนั่นนะให้มันระ ง, งับ ลงไปแล้วอย่างนี้มันจะเกิดความรู้สึกนึกคิดอันอ่อนละมุนละไมขึ้นมาแทนบันนี้มันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดอะไรแสดงออกทางกายทางวาจามันก็อ่อนโยนละมุนละไมะไม่กระโ s ก o k a n ไม่ให้ไปกระทบกระทั่งคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจเพราะกิริยาหยาบโลนของตนนั้นนี่ลองสังเกตดูสิ โดยเหตุผลแล้วเป็นอย่างนี้แหละมันมาแต่ใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นเลยเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องหยาบเรื่องละเอียดใดๆก็ดีนะเนี่อดังนั้นแหละอย่าพากันไปทอดทุระจิตใจตัวเองเพิ่งมีสติสัมปชัญญะกำกับไว้ตลอดเวลาเลยทีเดียวเพิ่งมัน ล, ลึกเข้าไปหาจิตนี้บ่อยๆนะการปฏิบัติธรรมนี้นะ ทวนกระแสจิตเข้าไปเสมอในขณะนี้จิตของตนมันตั้งอยู่ยังไงอ่ะมันเห็นผิดหรือเห็นถูกอยู่ยังไรมันเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเราหรือหรือไม่ใช่นี่ต้องไปมันถามตนเองตอบตนเองอยู่เสมอนี่ถ้าไม่ทําอย่างนี้สักหน่อยมันก็จะหลงไปยึดขันห่าว่าเป็นตัวตนเข้าอีกแล้วนี่ดังนั้นแหละ โอปานายโกในพระธรรมคุณนั้นนะพระองค์เจ้าสอนให้น้อมให้น้อมเข้ามาน้อมอะไรน้อมสติน้อมสัมปชัญญะน้อมวิริยะความเพียรเข้ามาน้อมขันติความอดทนเข้ามาในจิตใจนี้นี่เมื่อน้อมคุณธรรมเหล่านี้เข้ามาสู่จิตใจเราใจก็หนักแน่นนะเข้มแข็งสามารถรวมลงเป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้ นั่นแหละให้พากันเข้าใจเราอยู่เฉยๆนั่นจะให้มันเจริญขึ้นด้วยคุณธรรมเหล่านี้จะให้ใจมันหนักแน่นเองนี่ไม่ได้จะให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเองอย่างนี้ก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการกระทําโดยแท้จริงนะขอให้พากันเข้าใจเราทําและทําไปไม่ถอยมันฮค่อยงอกงามขึ้นเนี่ยผลอันนั้นน่ะ ความรู้ความฉลาดนั้นนะมันค่อยงอกงามเจริญขึ้นไปโดยลําดับอเอเช่นพูดถึงธรรมของจริงก็เหมือนกันนะอะการที่เราจะรู้ธรรมของจริงได้ก็เพราะเราพิจารณาของไม่จริงเนี่ยบ่อยๆเข้าไปเมื่อพิจารณาของไม่จริงนี่มันเห็นแจ้งประจกักษตามเป็นจริงแล้วไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นของเราของเขาแล้วนั่นความรู้จริงมันก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้นะ เป็นอย่างนั้นให้พึ่งพาการเข้าใจเท่าที่แสดงให้ฟังมานี้สรุปลงแล้วจึงว่ามันไม่พ้นไปจากการตามประคับประคองจิตใจตัวเองด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยขันติความอดทนด้วยปัญญาความรู้ความฉลาดเอามาสอนจิตใจนี้ไปเรื่อยๆดังแนะนำสั่งสอนมานั่นแหละ ถ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สะดับตับฟังแล้วพึ่งลงมือฝึกตนเข้าไปทวนกระแสจิตเข้ามาภายในให้มากที่สุดอย่าพยายามส่งใจออกไปข้างนอกนี่แหละจักเป็นทางให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนั้นดังแสดงมา